พระธรรมเทศนาแผ่นที่100ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมในวันที่16มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าครูกศนอขอปลูกต้นไม้วันนี้ทั้งหัวหน้าทั้งจังหวัด กสนของพวกเราได้มาพูดกับหลวงพ่อมานมนานมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ก่อนแต่ก่อนน้ำท่วมอีกมากหลวงพ่อยังจำไม่พอไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนแต่พอต่อมาแล้วก็พอน้าท่วมขึ้นมาต้นไม้ล้มเสียหายมากที่วัดของเราอีกไม่นานลูกหลานคงจะไปเห็นละน้ำท่วมออน้ำป่าไหลหลากเสียหาย เพราะนั้นลูกหลานจะน่าปลูกป่าแต่ตามไม่จริงปลูกป่าหน้านี้หลวงพ่อก็ไม่หลวงตาเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่ว่าถ้าหัวหน้าเขามาปลูกแล้วเออเอามันก็คงอยู่ในชี่ชุ่มอยู่ชุ่มเชิญอยู่เพราะมันติดลําคลองอถ้ายังไงก็คงจะาหาคนมาลดน้ำ เ, เมื่อมันจะมีอะไรเกิดมันจะมเหี่ยวแห้งหลวงพ่อคิดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ตามไม่จริงปลูกไม้เนะี่มันต้องปลูกในช่วงเดือนพฤษภาไนอะพฤษภามิถุนา ก, กรกดานะี่เป็นปูเดือนปลูกปลูกไมนะ้แต่เดือนนี้มันเดือนอม ก, กราเลยเนะี่ยเดือนม ก, กรามันต้นปีเกินไปมันขอที่จะผ่านม ก, กราคมพามีนาเมษานะตั้งสามเดือนอต้นไม้จะทนไหวไหมอันนี้หลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะลูกหลานนะ แต่ถึงยังไงลูกตรงพ่อให้แนวความคิดอย่างนี้แล้วนะและลูกหลานบางทีอาจจะเปลี่ยนพัดเวียนเปลี่ยนกันมาลดต้นน้าต้นไม้ด้วยนะลูกหลานนะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาลดน้ําต้นไม้ให้ด้วยที่เราปลูกไปได้นะเราไม่ใช่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าปลูกเสร็จแล้วปล่อยทิ้งเลยไม่ได้นเนอคนโบราณเขาบอกพ่อปันไปฝังผีหน่อยคือฝังผีน้อยก็คือ เด็กที่เกิดมาไม่ใหม่ใเกิดมาแล้วก็ไปฟังในป่าช้าก็ไม่ไปม่ไปเรียวไปแล้เลยหมดฟังฟังผีหน่อยค่ะเออท่นนี้ก็ลักษณะนั้นไม่ได้นะมาปลูกแล้วลูกหลานต้องมาช่วยกันดูต้องช่วยกันมาดูแลแล้ววันนี้เป็นวันที่จะมาปลูกป่าช่วยวัดหลวงพ่อนะแล้วก็พร้อมกันกระทําพิธีการ มาขอสมาทานมาสมาทานศีลซะก่อนเพราะเราเข้ามาสู่วัดนะเมื่อเข้ามาสู่วัดเราก็ต้องทำตนเป็นอุบาสกุบาสิกานับถือพระพุทธศาสนาเราควรจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อสมาทานศีลไหว้พระสมาทานศีลตามขนบธรรมเนียมคนเฒ่าคนแก่โ บ, โบราณเขาถือกันมา เวลาลูกหลานเข้ามากันน่ยหัวหน้าใหญ่เขาคงจะพาให้ลูกหลานให้รู้จักศีลรู้จักธรรมบ้างอย่างน้อยก็รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีว่าเมื่อเข้ามาสู่วัดแล้วไหว้พระ เ, เสร็จแล้วจะมาสมาทานศีลอย่างไรวันนี้ก็พอเราได้สมาทานศีล น, นะเมื่อกี้นะ้ำปรยังพันเตติสารเนรสหปัญจทวิสูงวิสูงรัชนัดทายนะ แต่แตามไม่จริงการสมาทานศีลนั้นะมันมีอยู่สองนะลูกหลานนะมันมีอยู่สองอย่างแต่ศีลห้าเหมือนกันแต่มีสองอย่างเขาว่ามะยังฟันเตติสรณนรัสหะปัญจศีลานิยาจามะข้าพเจ้าจะสมาทานศีลทั้งห้าข้อพร้อมพร้อมกันไปเลยแต่ว่าเอาทั้งห้าข้อแต่ว่าวิสุขวิสุขเนี่ยข้าพเจ้าจะรักษาศีลเป็นข้อข้อไอ้เข้าบอก สินขาดข้อที่หนไปฆ่าสัตว์ยังเหลืออีกข้อ2กับข้อสข้อสพอไปเห็นไปขโมยของเขาขโมยรองเท้าเขาอีก ย, ยังเหลืออยู่สามไปไกอสามีภรรยาคนหนึ่งเขาอีกขาดไปสามยังสองไปโกหกเขาเอีกยังหนึ่งพอไปดื่มสซดาก็ไปก็หมดอันนี้คือวิสุงวิสุงนะแต่ว่าปัญจศีลาเน่ยใครเขา้ามาทานพร้อมกัน ขาดข้อไรค้หนึ่งแปลว่าขาดทั้งยวงนะทั้งห้าข้อเนะี่ยอันนี้คือคนโบราณเขาให้สมาทานศีลแต่โดยมากหลวงพ่อไปเห็นที่ไรก็มีแต่ว่าฟี่สูงวิสูงนะขอรักษาเป็นข้อๆนะแต่หลวงพ่อเองไม่เห็นด้วยหรอกควรจะมาควรรักษายกเลยถ้ารวยก็คงจะรวยไปเลยนะไม่ควรจะรักษาได้กระเจ็บกระจ่อยนะเพราะ น, นั้นวันนี้ลูกหลานก็เลยขอสมาทานศีลห้า แต่หลูงพ่อจะอธิบายให้ลูกหลานฟังแบบโปรปรัดนะสินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาติยามิข้าพเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตในเมื่อเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราก็รู้สึกเสียใจเจ็บใจทุกข์ใจในเมื่อเขามาฆ่าเราในเมื่อเราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกัน เพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิ่ข้อที่หนึ่งอยากคิดค่ากันเนอ้อสิ่ข้อที่สองอธนาทานอยากขโมยกันถ้าเราไปขโมยของเขามาเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจยิ่งของที่เรารักมากเท่าไหร่เรายิ่งเสียใจมากอย่างพ่อแม่พี่น้องของเราพ่อแม่พ่อของเราแม่ของเราญาติของเราสามีภรรยาลูกหลานของเราที่เรารักถ้าเขาขโมยถ้าเขาขโมยไปเรียกค่าไถ่ เราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นเขามาก็ทําให้กับเราเราก็เสียใจเขาเราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียใจอันนี้อยากให้สํารวมระวังนะอย่าไปทําอย่าไปขโมยข้อนที่สากามีสุมิชัาจาราเวรมาเน่สามีภรรยาลูกหลานของขายลูกของเขาสามีของเขาภรรยาของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราเป็นล่วงล้ําเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ําเราก็เสีย เช่นเดียวกันเขาเราก็เสียใจยให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมีพี่น้องสามีภรรยาข้อที่สี่มูสาวาอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาการเราไปต้มตุ๋ต้มต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกโกหกคนอืนเขาเขาก็เสียใจยถ้าเมื่อเราไปกับทําให้กับเขาเขามาทําให้กับเราต่างคนก็ต่างเสียใจยเพราะเราไม่อยากจะให้ให้คนอื่นมาต้มตุมต๋นโกหกหลอกลวงเรา อันนี้คือสี่ข้อที่สี่ข้อถึงห้าสุราเมรยาดอย่าไปดื่มสุราและเพลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเขาไปและขาดจิตเมื่อขาดจิตถ้าทําความชั่วเสียหายทุกอย่าง เ, เพลัยพ่อคนขาดจิตนะไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ดีๆทำไมอยากขาดจิตดูดีๆแล้วนะทำไมอยากเป็นบ้าค น, คนเป็นบ้าก็คือคนขาดจิตคนขาดจิตคือคนเป็นบ้านะ แอบพวกเราอยู่ดีๆทําไมเนี่ยแหะอย่าไปดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่แหละสรุปแล้วคือสินของพวกใหญ่เจ้านี่สินข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่นะให้ลูกหลานทัานเกตดูว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาไม่ใช่อื่นกายนะสินของพวกพหญ่เจ้านะแต่เมื่อว่าศินสินของพวกเราเหมือนกับอยู่ไกลตัวของพวกเราแต่ที่แท้มาอยู่ในความประพฤติของพวกเราเอง นำรวมกายวายจากายก็คือการกระทำวายจาคือคำพูดนั่นเองนะสินมันอยู่มันอยู่จร่การกระทำและคำพูดพนะูดน่คือมุสานี่คือานะ ค, คาพูดข้อที่หนึ่งข้อที่2อข้อข้อที่สามนะ่ะคือการกระทาข้อที่สคือคำพนะูดข้อที่ขนะ้านี่ยคื อ, คอเอ ม, ามาไม่ขาดจินะนั้นพวกหลานให้ฟังไว้นะนี่แหละสินธรรมของพระพุทธเจ้า แต่วศิษย์นี่เป็นสินคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าเป็นผู้มีสินอยู่ด้วยกันนะถ้าหาว่าคนที่ไม่มีศินอยู่ด้วยกันถึงจะสองคนก็เถึงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถึงสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันภรรยาไม่รู้จะออกไม้ไหนสามีไม่รู้ไม่รู้จะออกไม้ไหนอจะเป็นข้าวโมยหรือเปล่าจะจะมาฆ่าเราหรือเปล่าพวกเราคิดดูสิสามีภรรยาคู่นั้นจะหาความสุขได้ไหม ถ้าว่าอยู่ในชุมชนกลุ่มใดก็ตามถ้ามีความวาดระแวงกันอยู่จะหาความสุขได้อย่างไรนี่นะถ้าว่าทุกคนต่างคนต่างมีสินอยู่ด้วยกันมากมายก็มีความสุขนะสุขลูกหลานนะนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธศาสนาศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อได้อธิบายเรื่องของสินให้กับพวกเราได้ฟังแล้วนะหลวงตาจะนาผู้พานำเป็นผู้พานาสมท า, านสิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะในปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสถาเยเอาหลวงพ่อจะปาลบพูดสักหน่อยนะให้ลูกหลานไปทำงานต่อนะมาวัดทั้งทีหลวงพ่อจะให้แนวความคิดสำหรับลูกหลานาวันนี้เป็นวันที่ส6ห มกราคมพุทธศักราช 2,560 แต่วันนี้ลูกหลานได้มาทำประโยชน์ให้กับส่วนกลางาปลูกต้นไม้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเนื้อที่วัดของหลวงพ่อทั้งหมด 1,350 ปรยไร่นะลูกหลานนะที่ลูกหลานเห็นเนี่ยเป็นป่ารงพงภัยแล้วก็มีไม้สักปลูกเต็มไปหมดแล้วก็ยังที่ลูกหลานไปปลูกได้ เป็นอะไรทําไมจึงให้ไปปลูกเพราะมันเป็นป่าไผ่เกา่าเป็นป่าไผ่เกา่าตั้งแต่หลวงพ่อก่อนมาสร้างวัดนะไม้ป่าไผ่ในประมาณสี่หปีแนละ้วจะเป็นขวีครั้งหนึ่งแต่นี้หลวงพ่อมาก็เป็นเริ่มเป็นกอใหญ่แล้วหละ่ะพอต่อมาเนี่โอโ้โหกอใหญ่พอเลิกพล่าไปหมดเลยทีนี้พอในที่สุดก็เลยมาตายขวีมาสองปีที่ผ่านมาพอมันตายขวีแต่แล้วแต่ีไม้ไผ่ตายขวีคือไม้ไผ่มันออกดอกมันออกผลมันตาย มันขา ย, ยายพันธุ์ทางเม็ดของมันจากนั้นพอมันฝ้ายควายตายขุี้หมดเลยหลวงพ่อก็เลยเอาแม็กโคเนะี่ยเอาแม็โคมาปรับเพราะมันปา่ปาปนะ่าภผ่เนี่ยต้นไม้เกิดขึ้นไม่ได้นะยมันยกกอไผ่พวกลูกหลานคงเข็นกอไผ่ขึ้นมาแล้วไม้ตายมดนะ่ะตอนนี้นก็ไม่มีต้นไม้เพราไม้ไปมีแต่เครือเขาเถาวัลยเต็มหมดเลนี่หลวงพ่อก็เลยให้แม็กโคมามาเอากอไผ่ออกเพราะก็กไผ่ออกเสร็จแล้วก็ขุดหลุมเป็นหลุมเลย พอขูดเป็นหลุมเสร็จแล้วก็เอากอไผ่มุดลงไปในดินแล้วก็เอ า, เอ า, า, ด, ด, เอาดินกบดินกบเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเ อ, อจึงนี่แหละเต็นเตียนโลงเป็นขนาดนี้แหละพอไม่ใส่พนุษย์กี่ร้อยกี่ร้อยกอนนะในระบาดนี้หลวงพ่อก็เลยเอาต้นไม้มาปลูกมีประดูมักขาแต่เกลียนทองไม้สักมาปลูกเต็มไปหมดพวกตากรบดวงลูกไซด้วยลูกสมพูกระนุนมะม่วง เอามาปลูกใ ห, ให้มันเป็นป่าดงขึ้นมาคล้ายๆกับว่าเราปลูกแต่ต้นไม้ต้นไม้ใช้งานอย่างเดียวไม้สักไม้สักไม้ยางไม้ตะเคียนทองอย่างเดียวพวกสัตว์าลายสิ่งที่อาศัยอยู่ในวัดของหลวงพ่อก็มีมากนะอย่างพวกเราเห็นพวกลิงพวกค้างบางชนิดก็รอกกระแตพวกอะไรตะไระลายอีเขิงอีหงอีเห็ น, หหหนมีมาก ตอนี่มันจะกินกินผ ล, ลไม้อะไรแต่เราไม่ปลูกให้มันเพราะนั้นหลวงพ่อยังได้ปลูกไม้ผสมประสานกันให้เป็นไม้ปกไม้กินได้วกมัดขนุนมะม่วงสมผู้สมผู่มะเบียวลูกว่าลำไยอะไรปลูกมะขามะะนะจ๊ะขนอย่างนั้น่ะปลูกเต็มไปหมดแคลากันนะเพื่อจะให้พวกสัตว์ได้อาศัย นี่แหละการปลูกขาวนี้กันลักษณะปลูกอย่างนั้นนลูกหลานเพราะนั้นลูกหลานมาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลวงพ่อเองหลวงตาเองไม่คิดว่าจะตัดไม้หมู่นี้ขายน ะ, ะให้เป็นสมบัติของแผ่นดินนานเท่านานน ะ, ะแต่ทางป่าไม้เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าในปลูกป่าไม้สักที่แรกกปลูกสองเม็ดต่อมาแล้วก็ควรจะตัดออกให้เหลือสีเ่เม็ดแล้วก็ตัดอ อ, กอีกให้เป็น ให้ห่างกันประมาณ8ปดถึงสิเมตรต่อหนึ่งต้นก็เรียกว่าสะสางนะแต่หลว ง, งตาไม่มีกําลังไม่มีกําลังที่จะทําอย่างนั้นก็เลยปลูกให้ให้ถีบเอาออกไปเป็นลายแล้ต้นไหนมันเก่งต้นนั้นก็ต้องชนะหมู่ละต้นไหนไม่ไมชนะหมูต้นนั้นก็ตายไปเองหลวงตาเขาคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม้ในปัดของลวงตานีอแต่ละต้นถ้า ล, ลูกหลานได้เห็นแต่ละต้นี่สูงเร็วและเร็วทั้งหมดเลย เพราะอะมันแย่งกันขึ้นมันแย่งกันขึ้นไปกินอากาศนะ เ, เพราะฉะนั้นตน้ตนไม้ใ น, ในวัดหลวงพ่อเนี่ยก็เลยตน้นเป็นต้นไม้สูงสะนหลดกันเกือบทุกต้นเลยแต่ลูกหลานไปเห็นนะเนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของวัดของหลวงตาแนละลูกหลานนะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายเมื่อปู่ขึ้นมาแล้วไม่ใช่สมบัติของผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นสมบัติของชาติของภาษศาสนา ถ้าหลงตาไปแล้วหลงตาจะขายก็ไมา่ได้จะเช้งก็ไมา่ได้จะยกให้ใครก็ไมา่ได้เป็นสมบัติของลูกของหลานทุกคู่ทุกคนวัดวาศาสนาเนี่ย เ, เพราะนั้นเรามีแต่ะางทําไร่สวนยางทั้งหมดไม่มีที่เป็นป่าธรรมชาติให้ลูกหลานได้ศึกษาเฉลย <c oughs> ก็ไม่น่าจะดีไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นวัดของเราวัดของหลงตาดูดูลูกหลานเดินผ่านเข้าไปจะไปเห็นมะอื้อต้นไม้ทุกต้นหลงตาก็หวงเอาไว้ เพื่อจะให้ลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าจะได้เห็นได้ศึกษาปะต้นไม้ประเภทนี้เป็นยังไงตอกตะก้อนเก่าแก่ผาโพราณเป็นยังไงลุกหลานก็ได้เห็นธรรมชาติทุกสมัยเก่าแก่นะพราะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายนะ่มาคราวนี้ก็หลวงตาเองก็ขอขอบคุณขอบคุณกับกับลูกกับหลานทุกคู่ทุกคนะแสดงน้ําใจมาช่วยหลวงตาปลูกไม้ปลูกป่าและก็ไม่ใช่ปลูกเพื่อหลวงตาหรอก หลวงตาไม่กี่ปีหลวงตาก็จะไปตามแถวแล้วแนวหลวงตาละต้นไม้เหล่านี้อาจจะยังไม่ใหญ่ได้ใช้งานอีกต่างหากนะพอหลวงตาอายุ73ปีแล้วได้รูปรัดหลวงตาคงจะอยู่ไปอี ก, กชักชวระยะหนึ่งด้านพระแด ง, งแล้วก็เป็นสมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนี่แหละหลวงตายังคิดว่าสมัยหนึ่งนะเาปลูกที่ประเทศสีลังกาเนื้อที่ประมาณเกืร้อไร่นะที่สถานที่พักเกี้ยวแก้วนะ เขาปลูกต้นไม้เจ0ดร้อปีต้นไม้มากใหญ่ประดูมักค่าแต่เคียนทองนะต้นแล้วเป็นโอบเป็นโอบนะขึ้นยุดจุดนั้นแต่ลงพ่อก็ยังมาคิดอยู่ว่าเนี่ยต่อภายภายภาคหน้าวัดของเราทางเขาว่าไม่มีการตัดก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแะถ้าหากว่าลูกหลานประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ไปนานเท่านานก็คงจะเป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองนะเออ หลวงพ่อไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะลูกหลานนะเพื่อให้เป็นสมบัติเพรา ะ, ะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายไปอยู่นสถานที่ใดให้รักต้นไม้เอาไว้พราต้นไม้ในหลวงของเราท่านก็โอ้สังวนหวงแขนเพรา ะ, ะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่มาสู่วัดหลวงพ่อกมาเพื่อทัศนศึกษาส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันนะพวกลูกหลานบางคนก็คงจะไม่เคยมาเนะมาเห็นแล้วก็จะให้มาช่วยช่วกัน ดูแลต้นไม้รักษาป่ารักษาประเทศชาติน่รักษาป่าถ้ามีป่าสมบูรณ์แล้วก็ทนฟ้าฝนก็ตกตกถูกต้องตามฤดูกาลนะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรนะนะท่าี้นะรับพรนะท่านนีลูกหลานนะ